เป็นสาธารณพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัทและบรรดาผู้มีสุขสมเนินผู้นั่งรับฟังสําหรับวันนี้เป็นวาระที่สองที่ผมมาพูดกับบรรดาท่านทั้งหลาย <c oughs> เรื่องของมโนมยิทธิความจริงผมก็จําวันที่ไม่ได้แนะ่เทปก่อนนะเพกกื่อกว่าทรงเดชไปเท่านั้นเอง จะไม่ได้เพราะนี้มันป่วยจริงๆเป็นนว่าวันที่ก็จะขอยกไว้ก่อนเด่นกระดาคมเพราเขาขอการเปิดดูหน่อยว่าเด่นกระดาคมนี้มันเป็นที่เท่าไหร่ซป็นสองข้ามเดือนแปดตอนนี้มันวันที่เท่าไหร่วันที่สิบหกหรือสิบเจ็ดมันเลยสันเดเอาเอะไปด้วยเป็นวันที่สิบเจ็ดกระดาษคมแน่ <c oughs> เป็นนว่าเทพก่อนก็เทปก่อนแล้วพูดเขาก่อนคงไม่ผิดเพราะเป็นวันที่สิบเจ็ดจริงๆกระเดาๆนะวันนี้ป่วยมากป่วยมากตอนเช้าลุกไม่ก็ขึ้นมีพระมหาวิจิตเจ้อกุณ ส, วสีวิสุทธิเสพงวิสแล้วก็สีวิสุทธิโมลี เจ้าคุณบี้มนล้วก็มาหาทองดำนี่ความจริงชื่อท่านดีผมจำไม่ได้แต่เรียกเนนดาเนนดำเป็นมหาประเด็นเาเรียกดำเรื่อยๆท่านมากันแล้วก็มีแขกมามีญาติโยมมาจากมามามาจากนครปฐม <c oughs> สำพราญขันรถหนึ่งก็ลงรับไม่ได้นี่ป่วยมาก ก็เป็นว่าท่านจะมีกบเสกําลังใจหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ผมก็บอกท่านป่วยเพราเดิงงไม่ลงไปรับแขกนี่บรรดาญาโยมพุธบริษัททราบไปด้วยนี่ท่านมากันตามเวลายังรับไม่ได้ถ้าว่ามานอกเหนือเวลาไม่รับก็จะหาว่าหญิงเลยนะให้ดูความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าผมเนี่ยแก่แล้ว ในเวลาพักผ่อนมันก็ไม่มีเช้าก็เครียดกลางวันก็ต้องรับแขกถึงสี่มมงเย็นไม่มีใครก็พูดกับพูดคนเดียวไอ้พูดคนเดียวนี่มันเหนื่อยเหลือเกินแต่ว่าเพื่อธรรมะผมพูดแต่หาว่าหาหมอดูแลก็เิงแหละผมไม่เอาด้วย <c oughs> หาหมอดูหาหมอรกักษาโรคผมก็จะให้น้าเกลืออยู่เสมอแพทย์ต้องให้น้าเกลือ <c oughs> ผมจะไปรัรกษาโรคขาขาครก็าหายเกรื่องความวันนี้ก็มารูความเลวของผมอีกเลวเบื้องต้นยังไม่พูดกันนะในตอนต้นก่อนที่จะเรียนอาจารย์สุขท่านก็นมาจะลืมว่ามาวานนี้พูดกันถึงว่าคนเขาทำบาปคือกินเหล้า แล้วไม่ได้สมาทานศีลอยู่ๆเขาก็ทำกันปานรุกประสวรรค์ได้ท่านเห็นความเร็วความเป็นพระของผมไหมมันเร็วจริงๆผมเป็นพระไม่สามารถจะทำได้นี่ผมเร็วมากความจริงเรื่องส่วนตัวก็ผมทำได้แต่ว่าผมให้คนอื่นเขาไปไม่ได้ <c oughs> แนะนำญาติโยมญาติโยมก็ไม่เข้าใจ อันนี้ไม่ใช่โยมเลวผมเลวไม่สามารถจะแนะนําโยมได้ <c oughs> <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมเสียศักดิ์ศรีที่ทำ้ากาเสาพัดเสียศักดิ์ศรีมากต่อมาพอเริ่มจากอักจาริน <c oughs> ก็พอดีเหลือไปเห็นคนทอดแหย่สองคนเป็นชายหนุ่มแล้วก็มีพัญญาถือท้ายเรือก็เลยเรียกสองคนเข้ามา พอสงคนเข้ามาแล้วบอกกรุณาอาบน้ำอาบท่าเสีย <c oughs> ถามเม้ว่าทอดแหวันหนึ่งได้เท่าไร่เวลานั้นค่าก็เงินสูงเต้ก็บอกว่าถ้าได้มากถึงยี่สิบบาทบางวันก็ขายได้ประมาณสิบบาทเลี้ยงตัวได้เฮเวลานั้นเขาสารถังนั้นก็จะไม่ค่อยเต็มบาทดีเก้าสิบง๊า เป็นค่ากับเข้ารู้สึกทุบเธอมีได้ดีบอกท่าอย่างนั้นแล้วก็รายได้เธอได้แล้วเท่าไหร่ก็ช่างเธอยี่สิบบาทฉันจ่ายให้ขอพิสุจน์ผลความดีสักหน่อยได้ไหมเขาถามว่าพิสุจน์อะไรเขาบอกอาจารย์สุขจะสอนให้คนไปสวรรค์เป็นปนรกได้เธออยากจะเห็นไหมเธอรู้สึกว่าดีใจ <c oughs> ด้วการหากินการฆ่าสัตว์ชีวิตบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและเพื่อนวิสุทธิ์สมณีญา่าจาหนิกันเขามีความจําเป็นคนเขาต้องการดีเหมือนกันแต่ว่าเขาจะดีจริงๆด้านที่ต้องไม่ไม่ต้องฆ่าสัตว์ชีวิตเนี่ยเขาไม่มีกินเขาก็มีความจําเป็นอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงตําหนิในจนุน ในจุนฆ่าหมูตั้งเยอะเลี้ยงพระสงฆ์วันนิพพานถวายพระเจ้าโดยพระพธเจ้ากับยกย่องสรรเสริญทยเขาในจุนว่ามีผลเลิศแล้วก็มีคนมากมายที่มาเข้าหาพระเจ้ามาเฝ้าพระเจ้าฟังเทจกเป็นประโศนดาบ้างเป็นอารันบ้างท่านละหลายเรล่านี้ก็ทําบาปมาก่อนไม่ใช่คนไม่มีบาปอย่างท่านองค์คีมานในฆ่าคนยิงยิงยิงอยู่ แต่องค์สมเด็จพระบรมครูก็ไม่ทรงนังเกยียรติทรงเคราะห์องค์พันองค์ที่มานจนเป็นพระอรหันต์นั่นก็เป็นได้ไม่นานฉะนั้นเรื่องอาชีพอย่าตำหนิกันเขาทุกคนต้องการดีแต่ว่าการเลี้ยงตัวมันไม่ดีไม่มีทางอื่นต้องทําอย่างนั้นถ้าพราะว่าเขามีทางอื่นทําเขาจะทํา เว้นไม่แต่ว่าคนที่แนะนําแล้วไม่เห็นด้วยถึงกรรมที่เป็นอกุศลให้ผลหนักอันนี้ก็ต้องเห็นใจเขาเหมือนกันอย่าได้จงจงคิดถึงตัวเราบางครั้งไม่มีความจําเป็นต้องฆ่าสัตว์เราก็ฆ่าบางคราวไม่มีความจําเป็นได้หยิบของคนอื่นโดยเขาอนุญาตเราก็หยิบบางคราว เราก็เจ้าชู้เริ่มนึกถึงศีลธรรมเรื่ความดีเรืองประเพณีนิยม <c oughs> บางคราวอยู่ดีๆแล้วก็พู ด, พดปดมัทเหโกหกเพื่อนก็อย่างได้บางครั้งนึกสนุกคนมาถือว่าประเพณีเป็นสำคัญจะทำบุญบ้านแล้วเจอหน้าเพื่อนเราก็เลี้ยงเราอย่างนี้ก่อนที่จะพูดว่าใครพูดดูทั้งตัวเราซะก่อนเราก็ยังดีไม่พอ อย่างผมก็ไม่กันเป็นคราวาสเนี่ยผมก็เร็วมากผมดื่มสุรายาเมาไม่เป็นไม่เป็นจริงๆผมไม่สุบรุรีผมไม่ลักไม่ขโมยใครแล้วก็ผมได้ความรักนี่ต้องคิดนะผมก็ต้องเข้ากับตัวเองเวลานั้นว่าผมไม่ได้ไปปล้ำใครไม่ข่มขืนใครก็มีคนก็ตกลงด้วยนี่ เขาตกลงปรงใจตกลงมอบกายถวายตัวผมก็ต้องยอมรับผมเป็นผู้ชายต้องมีความเมตตาปราณี <c oughs> ลูกผู้ชายได้าขาดผู้มิหารศีขาดเมตตาความรักขาดกลนานความสงสารไม่เกิดกูทส ง, งเคราะห์เพื่อนหญิงที่เป็นเพศอ่อนแอและลงความหน้าไม่ด้านทบาู้ชาย ความรักที่เกิดในใจเทก็จะเศ้าหมอทนี่พูดอย่างคนพันสมัยโน้นผมก็เอาตกลงรักก็รักไม่รักเฉยๆถ้ารักก็ต้องรวมรักต้องสนองความรักให้สมบูรณ์แบบถ้ารักเฉยๆไม่สมบูรณ์แบบก็แค่นั้นนะปฏิบัติตนไม่ครบถ้วนอีกข้อ น, นี้ผมยอมรับประพมเลว ก็เลวทุกอย่างแล้วมาอีกทีหนึ่งการฆ่าสัตว์แต่ชีวิตอันนี้ผมจําได้ว่าตอได้เกิดมาผมถูกบังคับให้ฆ่าปลาประมาณหกตัวแต่ว่าถ้ากระโจนผูร้ายนี่ผมเอาอีกนี่มันก็เลวเมื่การชีวิตเขาเขาก็รักรวมความว่าความเลวของผมก็มีมากฉะนั้นคนใดที่เขาเลวผมต้องคํานึงเรื่องนี้ก่อน เขาจะเร็วขนาดไหนก็ตามเราก็เคยเร็วมาอย่างเขาเหมือนกันบางอย่างที่เราไม่เร็วอย่างเขาแต่เราจะพึงเข้าใจว่าเราดีเราก็ยังมีความเร็วรวมความเกิดมาเนี่เราเร็วเพราะมาบทพระผมก็เร็วอีกเร็วมากมากที่กิงของญาติของโยมญาติโยมเลี้ยงทุกสิ่งทุกอย่างตามที่กล่าวมาแล้ว ผมไม่สามารถจะสนองให้ญาติโยมเห็นรู้จากสวรรค์นรกจริงๆได้ น, นี่เร็วจริงๆเพราะความเร็วก็ผมจีงต้องกระเสือกสนใช้เวลาถึงยี่สิบสามปีเพื่อจะหาทางสนองความดีของญาติโยมพุทธบริษัทข้าวนี้มาพ่อสองคนพร้อมยอมรับว่าจะจใจงันในคนในยี่สิบบาทมันก็เป็นสี่สิบบาท แต่คนที่นั่งที่นั่นประมาณยี่สิบคนเขาเป็นคนรวยเ้าบอกว่ายี่สิบบาทเพื่อคุณเจ้ามาตงใจครับผมพร้อมออกให้เลยขอให้สองคนมั่นใจเขาพักเงินยี่สิบาททันทีมอบให้เลยให้ัญามีเข้าใจชื้นเป็นของธรรมดาผมน่าก็เคยจนมาก่อนแต่นี้นี้ก็ยังไม่รวยแต่เวลานี้รู้สึกรวยๆหน่อยละ รวยอะไรไมะมรวยความดีที่พระพุทธเจ้าให้ภูมิใจว่าแม้จะมีสมบัติเล็กน้อยก็ยังภูมิใจได้คือมโนวิจิสามารถจะแจกจ่ายกัมมันดาญาโยามพุทธบริษัทได้ถึงแม้ว่าผมจะมีความสามารถอย่างเป็ดๆจะดีเท่าพระอรหันต์แท้ไม่ได้ไม่เป็นไรยังไงยังไงไหให้ญาโยมไหลหิ่งเงาสวรรค์หิห่งเงาพุทธโลกหิห่งเงานิพพาน ที่เงานรกเปลี่สุรกายได้ด้วยอดีตอนาคตได้เท่านี้พอใจผมถือว่าผมรวยอย่างคนเจ้าเรจ้างคนเจ้าเรืจ้างข้ามฟ้าแล้ไปไหนก็ตามท่านได้มายี่สิบสามสิบาทสมัยน้นเขาปลื้มใจมากกว่าวันนี้รวยผมก็รวยประเภทนั้นไม่ใช่รวยมาแบบมหาเศรษฐีตอนนี้มาพูดเข้าเรื่องเวลาจะหมดปีแล้วพ่อสองน่มพร้อม ให้คนนั่งไหลา ย, ลยนนะั้นก็หาเครื่องบูชามาครบอกไม้สามดอกดอกลาศีแล้วก็ทูปสามดอกเทียนดักบาดหนึ่งเล่มได้เขียนน้าโมทยะใส่กระดาษแล้วก็ปิดตาเริ่มนั่งคนครกอาจารย์สุขก็บรรยายความตามไทยให้เธอปฏิ่ม่ได้สอนอะไรให้ภาวนาเลยวนนามาพัน ปรเดี๋ยวเดียวไม่ถึงสิบนาทีสองคนเกรกาดว่าเด็วแสงสว่างพุ่งปลารดออกแล้วครับอาจารย์สุขถามว่าเธอต้องการเห็นนรกสวรรค์คนนั้นบอกว่าผมทอดปลามากี่นี้เวลานี้ผมก็ไม่คิดถึงปลาละแต่ว่าถามอย่างนี้ผมก็เลยอยากจะรู้ไอการทอดแหทอดปลามันไปไหน อาจารย์สุขไว้ไปสำนักพยายมไปถามได้ว่าโทษที่มีอยู่มันถึงไหนท่านพยายมก็บอกว่าโทษของเธอทั้งหมดประมวลแล้วนะถ้าเธอตายเวลานี้เ ธ, เ, นเธอต้องตกนรกขุมที่หกหลังจากนั้นต้องผ่านบริวารสี่ขุมมาเข้าขุมที่ห้าที่สีเหมือนกันผ่านสี่ขุมเหมือนกัน แล้วก็ผ่านยมรลปิณนกเป็นเปรตสุรกายหมดเป็นสติฉันเป็นสัตว์ข้าสัตว์เท่าไหรต้องเกิดเป็นสัตว์ประเภทนั้นให้เขาฆ่าจนครบตัวแล้วก็เป็นสัตว์พิเศษอีกต่างหากจริงจะมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดมนุษย์ก็เป็นคนง่อยคนเปี้ยจนไหลชาติขอโทษปานาติดบาสเธอตกใจหน้าเสียก็พระอาจารย์สุขให้ถามพระยาโยม่าผมทํำยังไงครับถึงจะคนบาป ที่พ้นโพทั้งหลายเหล่านี้พระยาโยมท่าก็บอกว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอจะดีถ้ามีทางไปสวรรค์ถ้าเธอมีศีลห้าบริสุทธิ์ยอมรับนับถีพระพุทธเจ้าไม่ลืมชีวิตว่าจะตายตั้งใจว่าจะพบว่าเราจะไปนิพพานท่านสอนอารมณ์ประสงดามันเลย คนนั้นกราบท่านอาการกราบที่โ น, น่นแ่้วข้างตัวที่นี่ก็แสดงอาการกราบร่างกายก็เข้ามาแสดงอาการกราบเรียบร้อยที่โน่นทํำยังไงที่นี่ก็ทํำยังไงเพราะว่าจิตกับร่างกายตนให้โยงกันไว้พอใ้สุดเขาก็ถามว่าการปฏิบัติอย่างนี้ผมมีความดีพอจะไปสวรรค์ได้ไหมครับพญายมเนื้อบอกเจตนาร้ายเธอไม่มี เธอทําพราะความจนบีบบังคับเวลานี้กําลังจิตเทเป็นกศลมีมีวิมานเป็นที่อยู่ให้ขึ้นไปด้านสวรรค์เธอขอร้องอาจารย์สุขก็อยากไปะสะวรรค์อาจารย์สุขก็เลยบอกว่าให้ลาพระยายมเสียเมื่อลาแล้วก็ตั้งใจนึกถึงพระอินทก็เห็นพระอินท่านมาครับประกาศพระอินมาแล้วก็ขอตามท่านไปว่าความดีที่ทําเวลานี้ไปไหน พี่อินก็ท่านก็บอกว่าท่านพาไปบอกความดีที่ทำเวลานี้มันเป็นฌานสมาบัติอันนี้ไม่พักกูแค่สวรรค์ต้องไปพรมโลกถ้าให้รักษาความดีอย่างนี้ไว้ถ้าจิตมันเลวลงมันนิดหนึ่งถ้าเวลาจะตายเธอจะค้างที่สวรรค์ถ้ากำลังใจขนาดนี้จะไปพรมโลกท่านก็พาไปไปดูวิมานของเธอที่พรหม เมื่อกำลังใจแบบนี้นะวีมานอันนี้จะอยู่ชั้นที่เก้าก็แสดงว่าขอโทษจะอยู่ชั้นที่สิแสดงว่าเวลานั้นเธ อ, อยังเต้นปรปับอยู่ก็เป็นชั้นสี่ขั้นหยาบเธอดีใจมากเขมิมานผ่องใสสวยสดสดงามพอขึ้นไปเท่านั้นแปลง่ร่างกายเธอประกาศออกมาเลยว่าร่างกายเธอเปลี่ยนว่าเวลานี้ร่างกายผมเป็นพมหมดแล้วครับ เหมือนผมทั้งหมดสวยสดงดงามมากเธอปลื้มใจมากสดชื่นหน้าตายข้างนี้เธอก็สดชื่นอข้านู้นดีใจข้างล่างก็ดีใจด้วยเพราะจิตมันโยงกับร่างกาย <c oughs> พอเธอต้องเที่ยวไปในที่ต่างๆจบพอาจะจะกลับผมก็อยากจะไปสวดเวลานั้นเอยู่วัดบารมเขเพราะเอยู่วัดบารมโคก็ถามเธอว่า กว่าจารย์ทรกให้เธอไปที่โกติผมเสียเมีอะไรบ้างโกติผมรูปร่างเป็นยังไงเธอไม่เคยรู้จักผมมาก่อนเลอเธอบอกถูกหมดขออะไรที่มีความสําคัญพอผมจำได้ถามว่าขอเสียงนั้นอยู่ตรงไห น, นลักษณะเป็นยังไงเธอบอกถูกหมดโกติกว่าจะเข้าถึงห้องนอนมีประตูกี่ชั้นในโกติมีลักษณะเป็นยังไงมีฝาเท่าไรมีหน้าต่างเท่าไรเธอนับเรียบร้อย ไปไปมาย่องนับฟ้าตัมในกระเป๋าองเข้าเลยก็บอกว่าฝ้าตังในกระเป๋าเขาผู้เจ้าเวลานี้มีอยู่สามสิบบาทกันนะครับในย่มตรงเป่งเลยเป็นนว่าชาวบ้บานเขาหาตึงถามจริงมาจริงเขาหากันใหญ่เอาบอกสามมีสามสิบบาทอีตอนนี้ถึงจะบ้านเดือดร้อนเมืองเราฟักกู่ฟัก เป็นจำนวนวันนั้นได้จริงๆสี่ร้อยบาทเศษที่ผมไม่ได้ขอเขาเขาเขาเร า, าสงสารผมเพราะพระขนาดนี้มีสตังสามสิบบาทเลยเตายปกติจริงๆแล้วมีสตังประจำกระเป๋าว่ายี่สิบบาทเป็นประจำเหลือจากนั้นทำอาหารเลี้ยงพระบ้างก่อสร้างบ้างวัดปกครบบองได้ไม่เท่าไหร่ก็ตามใจหมดจะเหลือคงตัวไว้ยี่สิบาท ถ้ามีความจําเป็นไปไหนมันติดยากมาไปได้ทันทีเท่านี้เขาบอกมีเท่า น, นั้นแหลยบอกท่านพอแล้วนิรัะบร์เพฤฤื่อวิสุทิ์สมาเนิที่ผมพุยให้กับท่านฟังไม่ใช่โอโอดนะว่ามักน้อยผมมีความรู้สึกอยู่เสมอตามความเป็นจริงเห็นเพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนที่ตายไม่มีใครขนอะไรไปได้เลยและก็ผมย่องไปดูนันนรกแล้วชีวิตของผม ผมตกตนกมาหลายขุมตั้งแต่ผมที่หกขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเรียบผมเคยผ่านมาหลายวาระก็เข็ดที่อยากให้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทรู้บ้างเมื่อเธอเลิกจากการเจริญกรรมฐานเป็นที่พอใจคนนั้งหลายเรานั้งกับการเลยบตอนนี้ไปฉันจะให้เราสารคนลัถังนี่คนหนึ่งพูดต้นหนึ่งเดือน อีสามสี่อีสามสี่คนสักบอกฉันให้เธอคนละถังมือนกันรวมความว่าเธอมีโอกาสได้ก็สาสั่งคนละนสอบถ้าเขาไม่ทอดแทงเ้อบอกไม่ทอดแล้วก็เขาจะให้เป็นเงินเดือนคนละยี่สิบบาทต่อหนึ่งเดือนเธอพอใจเพื่อเป็นค่ากับค่าเวลานั้นครูประชาบาลบางทีบางค น, น, นเงินเดือนแปดใบก็มีสี่ใบก็มีในสิบเดืองินได้สิบหกบาท นั่นเธอได้แั้งีติบาเข้าสังเข้ามาตรงซีเธอกลายเป็นพุทธมารการคนเข้าถึงพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดหลังจากนั้นแล้วผมขอเรียนจากอาจารย์ศุขชอบใจมากเอาคนที่กำลังทำบาปกินเหล้าและก็คนที่กำลังทอดแหมาทำได้ผมก็คิดว่าบรรดาญาโยาของผมน่าไหลท่านก็มีความดีก่านั้นมาก กำลังใจท่านสมบูรแบบโดยศรัทธามีความเดื่อใสในพระพุทธศาสนาท่านก็ต้องทำได้เออเวลาความรู้ที่เรียนผมบอกไว้เลยผมไม่ปกปิดเพราะหลักสูตรจริงๆที่ผมปฏิบัติมาเรียนมามันยากเหลือเกินยากสำหรับผมจะลืมว่าผมบทเกือบสองเดือนจริงทำได้ขบันดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่นั่งทีนี่ ได้โปรเจย่าท้อใจมันทำกันแค่สามสี่วันบางคนบอกนานเต็มทีอันนี้บางคนไม่เคยจะทําวันเดียวไม่ได้มาเศ้าซีบอกคอยหาหลักสูตรที่ง่ายกว่านี้ได้ไหมว่าทุกคนก็บอกว่าทําวันเดียวผมสองเดือนเกือบสองเดือนผมไม่บน่นแต่เพื่อนพระที่บวชด้วยกันบางท่านบวชทําึงสามสิบปีถ้านไม่ได้ตายไปก็เยอะ เราตั้งใจทำจริงฉะนั้นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงและบรรดาเพื่อนพิณฑ์ ส, สมนเนที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดให้ภูมิใจในตัวเองว่าเราสมีความสามารถถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยและก็หมดความสงสัยในเรื่องโลสวรรค์นิพพ า, านบโลกเพราะว่าตายแล้วเกิดไม่จำเป็นต้องไปเชื่อคำสั่งสอนประําป ร, รา หรืว่าที่ผิดขึ้นมาใหม่ว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีเทวดาไม่มีตายแล้วศูนย์เราจะไปเชื่อเขาทำไมในเรืาาย่ยเราพบกันแล้วหลักสูตรนี้เป็นอย่างนี้ครับ <c oughs> หลักสูตรของครูอันดับแรกต้องท่องอิติปิโสทั้งบทให้ได้ก่อนความจริงอิติโสทั้งสามห้องเนี่ยที่นั่งที่นี่ทั้งหมดไม่มีใครต้องท่องว่าได้แล้ว อีทีพโซนี่สำหรับไว้ทํานมนต์แต่ว่าเวลาจะทำนำมนตครูจะต้องเจรจาพระพุทธเจ้าก่อนขอกําลังพุทธบา ร, รมีช่วยทำนำมนต์ถ้าจะถามว่านมนต์ทำทำไมอันนี้เต็มมาจาะนะครับนมนต์เขาจะพรมเวลาก่อนฝึกพอเริ่มจะฝึกก็ก็พรมนมนตกันผีแท ก, กันอารมณ์หลง พอเลิกประกาศเลิกก็พรมนโมอีกครั้งหนึ่งแล้ก็สำหรับครูชัยคาถาภาวนาวันนโมอุทายะเวลาทุกขเข้าไปหาลูกศิษย์กงหอมให้ชื่นใจนีนจะใครไปสองที่นาชัยคาถาวันนโมอุทายะเพื่อใสยบารมีพระเจ้าสี่พระองค์ข้าพศีอานียเม่ไกร แถวสีองค์นี้ช่วยสง่งเคราะห์ให้เขาสว่างไปได้แล้วก็สําหรับค่าครูค่าครูต้องมีจะเรียกว่าของที่บูชาครูคือทูบสามดอกทูบเล็กๆ ก, ก็ได้แล้วก็เทียนหนักบาทหนึ่งเล่มแล้วก็มีเงินมีดอกไม้สามดอกดอกราศีคือดอกไม้สามสีเงินหนึ่งสลึง สำหรับกันหนึ่งสดึงนี้ผมก็เลยเคยศึกษากับพระท่านท่านบอกว่าอย่าไปคิดว่าจะต้องให้เราเสียเงินเลยเงินหนึ่งสลึงเดือนหนึ่งบาทเขาเสียไม่ได้เขาก็จงอย่าดีกับเราเราก็กินไม่ได้ใช้ไม่ได้เงนินจำนวนนี้จะต้องอาไปซื้อของถาวายพระเสื้อหายก็ได้ซื้ออย่างอื่นก็ได้ไปก่อสร้างก็ได้ให้เป็นบุญโยชน บอกเงินที่ทุกคนทำจะได้เป็นการตัดโลภะความโลภเป็นทานบรมีและเป็นฌ า, านอันสติอย่าทำทุกครั้งต้องใช้เงินหนึ่งเสด็จทั้งหมดและเขียนคำว่านโมูพุทายะลงในแผ่นกระดาษแล้วพับเป็นสามเหลี่ยมให้คนนั้นถือปิดหน้าไว้แล้วก็ภาวนาว่าณมาพะทธานี่วิธีการสอนมีเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมาก เงการฝึกเตมิตราเวลาเธอทำได้จิตใจชาญสมาบัติเธอยังไม่เรียกว่าตึงตึงตึงตึงตึงตึงตกขาวเปปะเปปะอันนี้ต้องช่วยถ้ามือที่บนมมืออยู่ตีหน้าอกให้จับมือมาวางที่เข่าทั้งสองข้างวางควม่มลงไปหาเข่าที่เป็นอย่างนี้แล้วที่เวลาฝึกถ้ามีผู้หญิงระเราจับมือไม่ได้ก็ต้องมีผู้หญิงสักคนหนึ่ง ถ้าผู้ชายมาจับมือมันก็จะมันไม่สวยก็ต้องใช้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาช่วยกันจับมือพวกผู้หญิงทังลเมื่อเรียนแล้วแต่กลายเ็ว่าท่านบอกไม่ต้องมีเหล้าแพราผมศึกษามาแล้วเมื่อศึกษามาแล้วเวลาที่จะมาปฏิบัติเมื่อก่อนนี้มาปีศูนย์แปดผมลองมาแนะนํากับคน ได้ประมาณต้สามสิบคนภาคเหนือนี่นะแต่ตอนที่ผมอยู่ใต้ใตสอนนด้เยอะแต่ว่าทุกคนไม่มีโอกาสไปถึงพรมนี่น้อยเต็มทีครับส่วนมากไปแค่สวรรค์ไปนรกได้ไปสวรรค์ได้กำลังที่ถึงพรมนี่น้อยแต่ถึงนิพพานจริงๆเกือบจะมีไม่กี่คน เพราะว่าสอนตามแบบฉบับของครูต่อมาผมก็คิดว่ากำลังใจของวรดาญาโยมพุทธบริษัทสะอาดไม่พอผมก็คิดในใจว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ความรู้อย่างนี้เขตเบื้องต้นไปถึงแล้วปลาดปลายต้องไปได้ต่อมาก็มาปฏิวัติใหม่ให้ทุกคนตั้งใจสมาทานศีล เมื่อสมาทานศีลให้สมาทานด้วยความเคารพเมื่อสมาทานศีลด้วยความเคารพแล้วหลังจากนั้นก็แนะนําในอริยสัจเบาๆให้มีความรู้สึกว่าทุกคนที่เกิดมานี่เป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์ไม่มีอะไรเป็นสุขให้เข้าใจเรื่องความทุกข์ตามความเป็นจริงว่าหิวก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์ป่วยไข้มาสมบายก็ทุกข์ มีความปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกมันทุกไปทุกอย่างความป่วยไข้ไม่สมัยก็ทุกความแก่ก็ทุกความพราดพลาดเจของรักของชอบใจก็ทุกความตายก็ทุกถ้าเรายังต้องการเกิดเป็นมนุษย์อีกเราจะมีทุกข์หาที่สุดไม่ได้ดีไม่ดี ท, ท, ทําบาปทิดฏยเรไปัญญกให้ตัดสินใจว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเราไม่ต้องการมันอีก การเป็นทวันดาหรือผมไปสุขก็สุขท่วคราวไม่สุขนานหมดพุทธศษณนาบารมีก็ต้องพุ่งเหลาลงมารกเราไม่เอาเราหนีเลยเราจะไปนิพพานให้ทุกคนตัดสินใจว่าต้องการจบเดียวคือนิพพานแล้วก็ทิ้งจหวะให้เกิดความมั่นใจหลังจากนั้นกากระดาษปิดหน้าให้ภาวนาวรนักมาภาทะ ในเวลานั้นถ้าหมดขอทุกคนจงอย่าห่วงอะไรทั้งหมดแม้แต่ชีวิตและร่างกายมันจะตายเวลานี้ก็ฉังเราไม่ห่วงแต่ตัสินใจให้แน่นอนเฉพาะเวลาหลังจากนั้นก็แนะนำจงอย่ายุ่งกับมีวรห้ามีวรห้าอย่างมันมีห้าอย่างแต่เราไม่นึกถึงมันเลยนึกถึงอย่างเดียวคือคำภาวนาก็ลมให้ใจเข้าออกให้ใจเขานึกวา น, นะมาใจออกเดวพาทะ ตอนนี้บรรดาเพื่อนบิณฑุทมเนรมีผลเกินคาดมีการคล่องตัวพระแสงสว่างผู้มหากายเะบอกเห็นพระพุทธเจ้าชัดก็เลยบอกทุกคนเกาะชายเขาติดตามพระพุทธเจ้าไปจะบอกเกาะชายสังติไปถูกเวลานี้ทุกคนต้องการปฏิพันธ์พระพุทธเจ้าในตามพาปฏิพันธ์ทุกคนถึงนิพานหมดและมีสภาพแจ่มใสแพรวิยับ ชัดเจนแจ่มใสเหมือนกลางวันเวลาเที่ยงอรบรนดาท่านพุทธบริษัทนี่การแก้ไขนิดเดียวสามารถพบที่ผ่านได้แต่ว่าคนที่ฟังนิยมจะหาผมบ้าก็าเลนะที่ภายเขาศูนย์ของเขาศูญเขาช่างแต่ในพระไตรปิฎกไม่ศูญและการปฏิบัติของวเราก็ไม่ศูญเราเชื่อของเราดีกว่าอารบรรดาท่านอย่างไรท่าญยานบอกเวลาสงเครื่องบอกเลิกเธอ หมดเวลาแล้วก็ต้องขอหยุดก่อนลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังและทุกท่านสวัสดี